เข า, าออกจากนอกมุง้งนอกเท้นีนก็หมายถึงออกจากผมคิดคันมันคิดแล้อย่าไปรู้กับมันให้ตัดผมคิดนั้นทิ้งคํามาคอยเบื้องผมคิดนี้มันคิดมาวูบนึงเขาเห็นเขารู้เขาเข้าใจมันจะเป็นวิถีบวกกับลบกันมือนึงเขาคิดร้อยเรื่องอะไรวะเด็ไปเขารู้เรื่องนึงมันก็บาถึงลอยแล้วมันก็ได้เก้าสิบเก้าเท่านั้น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 ดำเป็นขาวหนักเป็นเบาโง่เป็นสลดัดหน้ามือเป็นหลังมือแต่กี้มันเอาหลังมือมาเป็นหน้ามือวันนี้เปลี่ยนหนะะ้ากันเลยวันนี้คขมโง่มันมียุทแต่ก่อนดี่ขมโง่ไปที่หายไปมีขมสลักขึ้นมาแทนขมดำมันมียุทแต่ก่อน่ะดำมันทิ่หายไปคขมขาวมันขึ้นมาแทนเป็นควขมเป็นปุถุชนบไปเนี่ยมันที่หายไปคขมเป็นอรไยบุคคลมันจะขึ้นมาแทาน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 พิกมือขึ้นคว่ำมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยพิบตาอ้าปากกอนน้ำลายพ่านลงไปในมครให้มีสติลู้เท่าลู้ทันลู้กันลูกแก่อันนี้เป็นวิธีเจริญสติประฐานสีแบบรัดรั ด, ดมันตรงกับตำนานว่าตมมุติตรงกระตำมซางที่มันมีอยู่ในตำนามีบันไดะนนโยนเน็นเหียนเลยนี่หลักสูตรนักธรรมสันติ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 เยกคนเพื่อนว่าจะข่ววมจริงให้ฟังข่มผู้จริงคนบ่มอ า, อาวุธเพื่อนแสดงทำแต่ละเธอเธอเธอนี่นะมีคนไปฟังทำ ม, มาจากพระพุทธเจ้าเป็นลอยเป็นผันเป็นหมื่นเป็นแสนได้ดวงตาเห็นธรรมมึดบั น, นี้คขันหอบฟังเทศจำศาสตรเนี่ยขันหอบยังบม่มีความละอายอยู่กับยังเป็นสัตว์ในรสารอยู่แล้วบันี้นเขาบยังโบเซาความกูดเยอะขก็ยังเป็นสัตว์นรกอยู่แล้วบันี้คขันหอบยังโบเข้าใจคําสอนนั้นกับขก็ยังเป็นอสุรกายอยู่แล้วบันี้ มันเป็นทังสั้นนี้อย่ว่าตั้งใจปฏิบัติเรียนหนังสือก็ต้องเรียนแล้วก็ต้องตั้งใจปฏิบัติการปฏิบัติเพื่ออาไปเป็นเครื่องมือเขาซื้อไปเขากระจายให้เฮตนา่าสบายการซื้อการขายของเขากระจายสบายเขากระจายโบ ง, โงูเขากระจายสลับมีน้อยเขาใส่น้อยมีมากเขาใส่มากอันนี้หาเงินได้น้อยใส่มากมันก็จนซะ น, นัคนน่ะตลอดกินเขา้าคุณเน่ยพอเบิ่งซื้มือเดีมมออย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 พัฒนาจิตใจจริงๆโบเม น, นคือว่าไปจำำออําคํำว่าของผูนน้นั้บบจนจํนออาคนนาําว่าของผู้นี้โบเมนเนี่ยพราะบจําเนี่ยเพราะเอาความเห็นเนี่ยเพราะจริงๆเอาเราเนี่เป็นการทอดมาจากดวงจิตจิงใจและไปสอนผู้อื่นเนี่ยพรา็สอนด้วยความจริงใจเนี่ยพอโ บ, บสอนหวังค่าจ้างหลังวันก็หวังว่าจงให้ผู้นั่นมายกมาย่อเนี่ยพอบอกสอนเพื่อให้ข้าเจ้าพลุกซื่อๆๆนี่นะ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 กูได้นักทำโชว์กูได้นักทำเอฟกูได้มหาปรเลียนอย่างนั้นอย่างนี้เรารู่น่ยเอาอันลู่อันนั้นมันบทสื่ของเห่าว่ะไปเฮียนเอาของผู้อื่นมาเวาวว่ะนี่มันเข้าหลักเลยหลักของเขาหนึ่งนมฆมันเข้าหลักเลยพูดอวดอุตริมนุษยษารมคือทําอันยิ่งของมนุษย์ไม่มีในตนเนี่ยมันเข้าหลักไปบางทีเ่วานี้มันบุญเรนเราท่นนี้ตำรามันบม่ได้จบมาทีเดี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 ถ้าหาบ่ปเป็นพระราหัตในซาต์นี้ต้องเป็นพระนาคามีสองพระนาคามีปัจจุบันธาต์พระนาคามีนี่หมายถึงว่ายู่ผู้เดียวสินนอันยู่ผู้เดียนะะั่นขัเจ้าก็หมายถึงบ่อมีผูบ่อมีเมียสิอนนั้นกับสภาษาคนให้เขาใจทางซันคําว่ายู่ผู้เดียวนั้นบ่ได้ บ, ify, บ, ify, บ ify, ่ได้มีความปวดความโรคความหลงเนี่ยพอเข้าใจมาสิยู่ด้วยสติปัญญาจริงๆทางซันเนี่ยพอเข้าใจมาสันอันนั้นกัแมนอยู่ผู้เดียวโดเดียวบ่มีครอบบ่มีภูนั่นกับแมนให้เข้าใจ